มีใครไม่เคยมาไหมยกมือให้เดินหน่อยเยอะเหมือนกันใครก็ลอกมา <c oughs> นึกยังไงต้องมาถึงนี่ธรรมะไม่ได้อยู่ที่นี่นะธรรมะไม่ได้อยู่กับหลวงพ่อธรรมะจริงๆธรรมะอยู่ในที่ทุกที่แหละที่ไหนมีกายมีใจอยู่ะก็มีธรรมะอยู่ธรรมะก็คือกายกับใจเรานี่เอง กายเขาเรียกว่ารูปธรรมใจเขาเรียกว่านามธรรมเป็นธรรมะเพรั้นเรียนธรรมะไม่ต้องเรียนที่อื่นหรอกให้เรียนที่กายที่ใจของตัวเองมีสติรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆอย่าลืมมันไม่มีอะไรมากง่ายเรียนจากครูบาอาจารย์มากี่องค์กี่องค์ก็ออสอนเหมือนกันแหละก็มีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบัน แต่และองค์อาจจะสำนวนโมหานแตกต่างกันนะแต่เนื้อหาอันเดียวกันหมดนั่นเราคอยรู้สึกนะรู้สึกตัวไปเรื่อยๆล้วขยันดูไม่ใช่นานๆรู้สึกทีหนึ่งอย่างนี้นานๆรู้สึกทีหนึ่งเวลาส่วนใหญ่ก็หลงผิดไปนี่บางคนนะสงสัยว้ยภาวนานานแล้วไม่ได้ผลสถที เราสะสมทั้งความรู้ถูกความเข้าใจถูกแล้วก็สะสมความเข้าใจผิดไปด้วยพร้อมๆกันสลับกันไปแต่ถามตรงๆนะที่คนไหนอยากรู้เร็วๆหลวงพ่อถามตรงๆวันหนึ่งวันหนึ่งจิตเป็นอกุศลมากหรือจิตเป็นกุศลมากกว่ากันจิตรู้สึกตัวหรือจิตหลงมากกว่ากันหลงใช่ไหมหลงไปห้านาทีแล้วรู้สึกแว บ, บหนึ่งนึกออกไหม หลงไปหนึ่งนาทีรู้สึกแว บ, บหนึ่งนี่เก่งมากแล้วนะหลงไป1ิบวินาทีรู้สึกแว บ, บหนึ่งเนี่ยเทียบสัสดส่วนอย่างนีเทียบกันไม่ติดหรอกยังดีว่าธรรมะเน่ยมันไม่ใช่ว่าต้องรู้ตัวหนึ่งนาทีแล้วไปล้างความไม่รู้ตัวหนึ่งนาทีมันไม่ใช่ขนาดนั้นตลอดเวลาที่ผ่านมานะเราสะสมแต่ความรู้ผิดความเข้าใจผิดตั้งแต่เกิดมาเราก็รู้สึกตลอดใช่ไหมมีตัวเรามีตัวเรา ในนี้มีเราอยู่คนร่างกายนี้ยังหน้าตาเปลี่ยนไปเรื่อยนะตอนเด็กเด็กก็หน้าตาอย่างหนึ่งโตขึ้นมาหน้าตาอย่างหนึ่งแต่ใน น, นนี้มีเราอยู่คนหนึ่งซึ่งไม่เคยเปลี่ยนเลยรู้สึกในนี้ในใจเรานี่เองนะคือเป็นตัวเราไม่ว่าทำอะไรตลอดมาก็ทำเพื่อสนองความมีตัวเราตลอดเพื่อย้ำกับตัวเองว่าฉันยังอยู่ฉันยังอยู่ไม่ว่าทำอะไรนะลองไปสังเกตดู มันเพื่อย้าตัวเองท่านว่าฉันยังอยู่นะฉันยังอยู่ในโลกอย่างบางคนนะต้องการให้มีเพื่อนฝูงยอมรับทําไมต้องการมีเพื่อนฝูงยอมรับเพื่อจะได้ประกาศยืนยะันว่าฉันยังอยู่นะฉันยังมีตัวมีตนอยู่ในโลกจริงๆทําไมฉันต้องใช้กระเป๋าหลุยพิทตองนะเพื่อฉันยังอยู่ฉันยังมีอยูนะ่ทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ว่าทําอะไรนะเบื้องหลังมานะเพื่อจะประกาศ เพื่อจะยืนยันเพื่อจะย้ำกับตัวเองว่าฉันยังอยู่นั้นไม่มีอะไรเลยรักมากกว่าตัวเองรักตัวเองที่สุดเลยหวงแหนตัวเองที่สุดเลยตลอดเวลาก็สะสมมาแต่สิ่งเหล่านี้ต่เมื่อมาหัดเจริญวิปัสสนากรรมฐานมามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเพิ่งจะเห็นบ้างว่ากายไม่ใช่ตัวเราเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ไม่ใช่เรา สัญญาคือความจําได้ความหมายรู้ไม่ใช่ตัวเราสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายไม่ใช่ตัวเรานี่ต้องมีสตินะมีใจตั้งมั่นขึ้นมาเราก็เห็นแต่ยังไม่เห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเรารู้สึกไหมเห็นสิ่งน้อนสิ่งนี้ไม่ใช่ตัวเราเรื่อหนึ่งแล้วจิตเป็นตัวเราอยู่กระทั่งการภาวนาทุ่มเทบางคนทุ่มเทการภาวนาแทบเป็นแทบตายนะ เบื้องลึกลงไปนะก็คือเพื่อรักษาความเป็นตัวเราไว้อีกภาวนาเราต้องทุ่มเทนะสู้ตายนะเพื่อวันหนึ่งเราจะได้ดีนี่ภาวนาเอาดีนะภาวนาถ้าช่วยว่านั้นนะภาวนาเอาชื่อเสียงภาวนาให้คนเขายอมรับว่าเราเป็นนักภาวนาไม่ให้สังคมยอมรับเพื่อประกาศอัตตาให้เราเป็นนักภาวนาบางคนก็ภาวนาหาลาบสักการะ มีทรัพ์สมบัติมากมีเยอะนะภาวนามีทรัพสมบัติมากมีของมากก็เพื่อประกาศอัตตาเป็นพระนี่ต้องขีเ่เบนนะถึงจะดังถ้าไม่เ็นไม่ดังพอสู้หลวงพ่อไม่ได้ไปรถตู้ไม่ต้องเฝ้ารถไม่ต้องล้างรถเองจ้างเข้าไปนี่ไม่ว่าเราทำอะไรนะเราถือศีลถือศีลก็ภูมิใจ ฉันเป็นคนมีศีลนะแกไม่มีศีลมีฉันมีแกขึ้นมาอีกละมันประกาศอัตตาไม่ว่าทำอะไรนะกระทั่งทำความดีภาวนาเนี่ยฉันนั่งโต้รุ่งได้คนนอนนั่งไม่ได้สู้ฉันไม่ได้ฉันอดข้าวได้ทีหนึ่งตั้ง7วันฉันเก่งกว่าเนี่ยแต่ละอย่างแต่ละอย่างหนือเลยฉันเดินจงกรมได้ทนเดินได้จนเท้าแตกภูมิใจถ้าทาความเพียรจนเท้าแตกอนั้นดีนะ แต่ถ้าทำสนองอัตตาจนเท้าแตกอันนักนะิเลสยิ่งหนาเพราะั้กระทั่งภาวนานนก็อดจะเพื่อเซอิฟอัตตาไม่ได้ยากมากนะที่เราจะภาวนาจนทะลุลงมาแล้วยอมรับความจริงได้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกตัวเราไม่มีพวกเราบางคนมหัดภาวนาเริ่มเห็นความจริงแล้วว่าตัวเราไม่มี คนที่มาเรียนกับหลวงพ่อตอนนี้เห็นว่าตัวเราไม่มีเนี่ยเยอะละแต่ยังยอมรับไม่ได้พอรู้สึกว่าตัวเราหายไปแนละ้วบางคนกลัวเลยบางคนรู้สึกเวิง้งว้างรู้สึกโงงโงงตายแล้วชีวิตนี้ไม่มีที่พึ่งที่อาศัยแล้วตัวเราหายไปแล้วบางคนเบื่อเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างในโลกน่าเบื่อตัวเราหายไปแล้วไม่รู้จะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไร พอตัวตนเกิดขึ้นแล้วภุมใจดีใจตัวตนมาแล้วเาวนาวนะบางคนจะเห็นในความเป็นจริงแล้วขันห้าคือกายนี้ใจนี้อะไรนี่ไม่ใช่ตัวตนหรอกความเป็นตัวเป็นตนมันผุดขึ้นมาเป็นคราวๆมันปลุงขึ้นมาเป็นคราวๆมันคิดขึ้นมาเป็นคราวๆพอเห็นมันถ้ามีสติรู้ทันมันก็จะสลายตัวไปว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตน ภาวนาไปจนวันหนึ่งใจยอมรับนะไม่มีตัวตนก็ไม่กลุ่มใจไ ม, ไม่เบื่อหน่ายนะไม่ทุกร้อนเห็นจริงๆกจริงๆกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกถ้าเห็นอย่างนี้มากเข้ามากเข้านะวันหนึ่งปัญญามันแจ้งยอมรับความจริงไม่ใช่ยอมรับด้วยเหตุด้วยผลแต่ยอมรับด้วยใจตรงที่ยอมรับความจริงด้วยใจเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมยอมรับธรรมะตัวเราจริงๆไม่มีหรอก ตัวเราไม่มีแล้วใครมันทุกมีความทุกไหมมีใครมันทุกกายมันทุกใจมันทุกไม่ใช่เราทุกกายมันทุกใจมันทุกแต่ไม่ใช่เราทุกนึกขันมันทุกไม่ใช่เราทุกมีความทุกแต่ไม่มีผู้ทุกเนี่ยพวกเป็นพระโสดาบันจะรู้สึกงั้นมีความทุกแต่ไม่มีผู้ทุกส่วนยังเป็นปุถุชนอยู่มีความทุกขแล้วก็มีเราผู้เป็นทุกด้วย ความทุกข์อยู่ที่กายก็ร่างกายของเราเป็นทุกข์ใจเราเป็นทุกข์ตัวเราเป็นทุกข์รู้สึกนั้นงั้นภาวนาต้องใจเย็นๆนะกว่าใจจะยอมรับความจริงนะเป็นยอมรับได้ยากที่ยอมรับยากเพราะเห็นน้อยไปเห็นความจริงน้อยไปต้องเห็นนานๆเห็นบ่อยๆเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกว่าตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีความเป็นตัวตนเกิดจากความคิดปรุงแต่งขึ้นมาเป็นเคล้า ไม่ไรขาดสตินะก็หลงว่ามีตัวเรามีตัวเรานี่วันๆหนึ่งขาดสติเยอะขาดสติเยอะรู้สึกตัวน้อยเพราะฉะนั้นทั้งวันนะส่วนใหญ่ก็คือมีแต่ตัวตนทั้งนั้นเลยนั่นต้องอดทนอย่าใจร้อนไม่ใช่ภาวนาดูปุ๊บปุ๊บปับป๊บปแล้วก็ยอมรับความจริงจิตยอมรับแล้วว่าตัวเราไม่มีมันไม่ง่ายขนาดนั้นมีเหมือนกันบางคนภาวนาเร็วนะใช้เวลาไม่กี่เดือนภาวนาเร็ว อันนั้นเขาเคยลําบากมามากแล้วเขาเคยภาวนามามากแล้วชีวิตนี้เกิดมาเลยภาวนาได้เร็วภาวนาได้ง่ายพวกเราอยากรู้ไหมเราเคยภาวนามาก่อนไหมชาตินี้จะง่ายหรือจะยากสังเกตดูนึกถึงตอนเด็กๆคนไหนที่รู้สึกตัวเป็นแล้วเนี่ยแล้วเคยรู้สึกไหมว่าความรู้สึกอย่างนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วถ้าเราเรารู้สึกตัวตื่นใจเราตื่นขึ้นมาปิ้งเฮ้ยอันนี้เคยเป็นมาแล้วแต่ลืมไปนานนักหนา นี่พวกนี้ต่อง่ายเลยนะคนไหนไม่เป็นอย่าท้อใจนะบางคนยังรู้ตัวไม่เป็นนะบางทีตอนเด็กๆมีอะไรให้ตกใจหรือมีอะไรให้กลัวอย่างแรงๆนะสติมันไปะระลึกเห็นความกลัวเขเห็นความตกใจนะความกลัวความตกใจขาดสะบั้นลงไปนะใจรู้ตื่นเบิกบานขึ้นแว บ, บหนึ่งไนะอ้พวกที่เป็นอย่างนี้พวกเคยทำมาโชกชนละชีวิตนี้ง่ายถ้ายังไม่เป็นต้องทนนะ ชาตินี้ยากชาติหน้าก็ง่ายถ้าชาตินี้ไม่ทําชาติหน้าก็ทําให้เป็นอีกอบางคนช่วยมากเลยหลวงปู่ดุลท่านเคยใช่คําว่าดา่าก็ไม่เชิงนะเพราท่านไม่ด่าใครหรอกท่านพูดความจริงแตความจริงมันกระเทือนใจท่านบอกไอ้คนซึ่งมันไม่ยอมภาวนานะพวกไม่เอาไหนยังหวังนะว่าจะทําบุญทําทานแล้วก็ต่อไปได้ไปเจอพระสีอานแล้วก็ปิ้งง่ายๆอ่ะบรรลุง่ายๆไปเจอพระสีอาน ท่านบอกว่านี้สายชาตินี้นะก็เหลวไหลไร้สาระกว่าจะเจอพระสีอานนะสะสมความเหลวไหลไร้สาระมากกว่านี้อีกนะไม่มีวันปิ้งหรอกมีแต่ถูกเขาปิ้งไปเรื่อยๆนะชาติแล้วชาติเล่าเพราะงั้นต้องยอมนะต้องทษต้องใจกล้ากล้าหาญอดทนดูกายดูใจของเราเรื่อยๆไปจะบรรลุมันก็บรรลุแหละถ้าไม่บรรลุก็สะสมแต้มไป มีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งเคยเจอท่านท่านแม่สบายไปอยู่โรงพยาบาลก็ไปเยี่ยมท่านองค์นี้ไปเจอท่านทีแรกนะท่านไปอยู่กับหลวงพ่อพุธไปเยี่ยมหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธก็แนะนํำเออโยมนี้ลูกศิษย์หลวงปูดูลบอกท่านว่าหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์หลวงปูดูลแล้วก็บอกครูบาอาจารย์องค์นั้นว่าบอกหลวงพ่อว่าองคนั้นท่านก็ลูกศิษย์หลวงปูดูนเหมือนกันเคยเรียนกับหลวงปูดูนเหมือนกันแล้วก็จําไว้ว่าโอ้องนี้ เป็นครูบาอาจารย์รุ่นผู้ใหญ่แล้วตอนท่านไม่สบายอยู่โรงพยาบาลไปเยี่ยมท่านก็สนทนาธรรมกับท่านนะก็เล่าเรื่องการปฏิบัตินะท่านน้าตาคลอเลยท่านบอกท่านอยู่กับหลวงปู่มั่นด้วยซ้ําไปแต่เป็นลูกศิษย์รุ่นเล็กของหลวงปู่มั่นท่านบอกท่านกลัวหลวงปู่มั่นมากเลยตอนที่อยู่ด้วยตอนถึงเวลากวาดวัดเนี่ย แต่ละวันท่านจะคอยดูว่าหลวงปู่มั่นจะกวาดไปทางไหนท่านจะกวาดไปทางอื่นอยู่กับครูบาอาจารย์นะแต่กลัวไม่กล้าเข้าใกล้ไม่กล้าไปเรียญด้วยละ่ะนี้วันหนึ่งท่านเห็นหลวงปู่มั่นกวาดไปทางโน้นท่านก็สบายใจกวาดไปทางนี้สักพักนะได้ยินเสียงไมมกวาดตามหลังมาหันไปดูอุย้ยหลวงปู่มั่นมาท่านรีบกวาดใจญหลวงปู่มั่นก็รีบกวาดตามมาสุดท้ายนะท่านแบบ สุดขีดเลยนะมั๊บปั๊บปั๊บปั๊บนหนีหลวงปู่มั่นนั้นเดิน3ามก้ากว่าทีหนึ่งคราวนี้ในสุดก็มาทันหลวงปู่มั่นท่านก็สอนพระน้อยท่านไม่ได้ชื่อน้อยนะพระน้อยหมายถึงพระเด็กๆพระพระหนมพระน้อยกวาดตาดก็ต้องใจเย็นๆค่อยๆกวาดไปนะเหมือนการภาวนาต้องใจเย็นๆค่อยๆทําไปมันเป็นงานที่ประณีต ไม่ใช่รีบรีบร้อนร้อนทาแล้วมันจะได้ผลดี น, <S <S นีท่านสอนอย่าง น, นี้ท่านก็เล่าให้ฟังนะว่าเนี่ยท่านรุ่นเดียวกันพระที่เคยอยู่กับหลวงปู่มั่นด้วยกันนีก็พ้นทุกพ้นร้อนไปหมดเลยนหลือท่านองเดียวไม่ได้อะไรเลยท่านบอกอย่างนี้นแต่ท่านสู้นะท่านสู้บอกอีกร้อยชาติท่านก็ไม่ถอยโอ้เราฟังแล้วรู้สึกนับถือท่านจริงเลยเ น, น่ใจของนักปฏิบัตินะไม่ใช่ภาวนา ภาวนามาตั้ง3มเดือนแล้วยังไม่บรรลุเลยชาตินี้ไม่มีบุญเลิกดีกว่าเนี่ยพวกหลยอยถ้วนยะชาติหน้ามันก็ยิ่งเหลวไหล ย, ยิ่งกว่า น, นี้อีกเนะข้าใจสอดนะต้องเอาอย่างครูบาอาจารย์ที่เล่าให้ฟังนะท่านยังมีชีวิตอยู่แบบอาวุโสมากแล้วออีกร้อยชาติกนะ็จะทำถ้าไม่จบนะจะทำไปเรื่อยๆไม่เลิกหรอกนะสู้ตายนะเวลาเราภาวนาเราก็ต้องสู้อย่างนั้น คนที่เขาทำได้ง่ายเพราะเขาเคยยากมาแล้วในคำภีก็มีเรื่องพระพาหิยะพระพาหิยะเนี่ยสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนพระพุทธเจ้าก่อนพระโคดมองนี้นะชื่อพระกัศปะไม่ใช่มหากัศปะนะมหากัสปะเป็นสาวกผู้ใหญ่ของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนชื่อพระกัสปะนี้พระกัศปะตั้งศาสนาไว้แล้วก็ นานผ่านไปนานนะท่านก็นิพานไปนานศา ส, สนาค่อยๆเสื่อมสลายลงไปจนกระทั่งคนภาวนาแทบไม่เป็นแนละ้วก็มีพระเพื่อนกันห้าองค์หรือเจ็ดองค์ไม่รู้จําไม่ได้ละกี่องค์นะป๋องจําได้ไหมเจ็ดนะองค์เหรอก็ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วเราอยู่วัดภาวนาอย่างนี้นะเอาดีไม่ได้พากันออกป่าไปขึ้นภูเขาไเลยภูเขานี้ชันนะ แบ บ, แบบหน้าผาชันๆไม่มีทางขึ้นทางลงท่านอุตส่าห์ทำบันไดขึ้นไปพอขึ้นถึงยอดเขานทีบบันไดทิ้งเลยแล้วตัดสินใจละสละชีวิตเพื่อธรรม ะ, ะถ้าได้ก็รอดไปถ้าได้กงมีอภินยาเหาะลงมาได้ถ้าไม่ได้ก็คืออดตายนคนเราจะใช้เวลาอดตายสักกี่วันไม่นานหรอกไม่นานนักหนาบนภูเขาคงไม่ค่อยมีน้าไม่มีอะไรภูเขาเกลี้ยงๆนะั่ ขึ้นไปอยู่บนเขาภาวนาวันที่หนึ่งนั้นก็มีองค์หนึ่งเป็นพระอรหันรุงเช้าท่านก็ไปบินทบาตมานะแล้วก็เรียกเพื่อนมาฉันด้วยกันอีกหกองค์แต่ถ้าคนไม่ยอมถ้าไม่มีปัญญาไปหาอาหารด้วยตัวเองนะเขาไม่ฉันสู้ตายสุดท้ายก็มีพวกหนึ่งรอดไปนะพวกหนึ่งได้ผ้าหนักามีบางองค์ไม่ได้อะไรเลย พระพายยาก็เป็นองค์หนึ่งที่ไม่ได้อะไรเลยตายอยู่บนภูเขานะั้นมาในชีวิตนี้ในสมัยพระโคดมเนี่ยท่านเกิดเป็นพ่อค้าไปค้าขายแล้วเรือสำเภาแตกผ้าผ่อนหลุดลุ่ยหมดเลยเพราะแขกมันนุ่งผ้าลุงรังใช่ไหมพอลงน้ำต้องถอดทิ้งสิไม่งั้นมันพันแข้งพันขาจมน้ำตายสิเสร็จแล้วท่านก็ไปขึ้นบกได้ขึ้นบกผ้าผ่อนไม่มีนะไม่มีจะนุ่ง ชาวบ้านมาเห็นเข้าโอ้พระอราหารันนี่แก้ผ้าก็เป็นพระอราหันแล้วนะนะ<ม>ยุคนี้ก็พอๆกันแนะ่ะเราเห็นใครทําอะไรบ้าๆบอๆแล้วนะเราก็ว่าพระอราหันไว้ก่อนนะ่ะี่สัยคนมันอ่อนแอนะมันเชื่อง่าย<ม> AR, เอออะไรเห็นอะไรแปลกๆก็ว่าพระอราหันไว้ก่อนถึงวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นนะใครทําอะไรประหลาดๆขึ้มนมาก็ว่าพระอราหารนะันแล้วนี่พระอราหารันะท่านก็นึกไม่ใช่หรอกนะเรามันพ่อขาพระอราหันที่ไหน ประเดี๋ยวชาวบ้านมาอีกคนหนึ่งมาเห็นอีกกราบอีโอ้พระอราหันต์มันหันหลายหลายคนก็เอ๊ะหรือว่าใช่วะ่นะเฉลรอยจะใช่แล้วนะเพราะสังคมยอมรับเห็นไหมนี่พระอราหันต์ที่สังคมยอมรับสังคมตั้งให้ไม่ได้เป็นนะแต่ว่าสังคมมันเชื่อกันอย่างนั้นเชื่อกันพวกเราก็มีใบ่อยนะที่ชาวพูธทั้งหลายอกหักมาหลายรอบแนละ้วนะองค์นี้พระอราหันต์พระอราหันต์พาไปมีเมียนะอยู่ไม่ได้อนะไรเงี้ยตั้งหลายรายมาแล้วนะ อย่าต้องเอ่ยชื่อเลยเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นทีหนึ่งก็หวั่นไหวกันทีหนึ่งบางคนก็เสื่อมศรัทธาพวกเสื่อมศรัทธาอยากเสื่อมก็เสื่อมไปพวกนี้ไม่ใช่ชาวพุทธหรอกถ้าชาวพุทธแท้ๆก็จะแยกได้ว่าอะไรเป็นเรื่องของบุคคลอะไรเป็นเรื่องของธรรมะธรรมะไม่เคยเสื่อมเลยไม่เคยเสียหายเลยนี่พระพายท่านพาหิยะยังไม่ใช่พระนะก็นึกว่าตัวเองเป็นพระรหันต์อยู่มาเรื่อยๆนะจนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมา เพื่อนกันซึ่งเป็นเทวดาเป็นพรหมสุดถาวรที่ภาวนาด้วยกันแล้วเป็นพระอนาคารู้สึกสงสารนะพระพิยะมันหลงผิดแนละก็ลงมาบอกว่าตัวเองไม่ใช่พระอราหันนะแล้วที่ทําอยู่ก็ไม่ใช่เส้นทางเดินของพระอราหันด้วยตอนนี้พระอราหันเกิดขึ้นแล้วในโลกอยู่ที่นี้ที่นี้ให้ไปหานะให้รีบไปหาท่านพะย่าพอได้ยินว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกเนี่ยนะทิ้งความเป็นพระอราหารันเลย ไม่เอาแล้วเรามันของปลอมนะท่านเดินลุยมาเลยนะจากท่าอะไรท่าอะไรจำไม่ได้แล้วท่าเรือท่านอยู่ริมท่าน้ำเดินมาเจวัน7จ็ดคืนเดินลุยมาเลยจะมาหาพระพุทธเจ้าเข้าไปที่วัดจะถามพระว่าพระพุทธเจ้าอยู่ไหมจะมาฟังธรรมไปถึงตอนเช้ามืดนะนะอดทนขนาดไหนรีบอยากได้ธรรมะเพราะนิสัยอย่างนี้เคยเป็นมาแล้วตั้งแต่ชาติก่อนไห อยากได้ธรรมะนะขึ้นภูเขาถีบบันไดทิ้งยอมตายนี่เดินลุยมาจนได้พระบอกว่าพระพุทธเจ้าไปบินธบาตให้รอก่อนท่านบอกรอไม่ได้ใครจะรู้ว่าความตายจะมาถึงเมื่อไรถ้านั่งรอที่ประมาทนะผมอาจจะตายก่อนหรือพระพุทธเจ้าไปบินธบาตท่านาอาจจะผลินิพพานก็ได้ใครจะรู้ล่ะไม่ได้ต้องตามไปตามไปถึงในตลาดพระพุทธเจ้าไปถึงก็ไปกราบนะบอกขอเรียนธรรมะ พระเจ้าบอกตอนนี้เป็นเวลาบินธบัติขอบินธบาติก่อนท่านก็บอกไม่ได้หรอกผมไปขอเรียนธรรมะนี่พูดขอครั้งที่สองนะพระเจ้าบอไม่ได้หรอกตอนนี้จะต้องไปบินธบาติต้องรู้หน้าที่นะตอนนี้เป็นเวลาบินธบาติท่านก็บอกเลยบอกว่าชีวิตเป็นของไม่แน่นอนนะผมอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้พระองค์อาจจะปรินิพพานเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าผมไม่ได้ฟังธรรมตอนนี้ประมาทนะอพระพุทธเจ้าเลยต้องแส ด, แดงธรรมให้ฟัง ความจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้ประมาทอะไรหรอกเหนื่อยมากพาหิยะกําลังเหนื่อยมากแล้วใจนี่นะร่าวร้อนกับสักประสายอยากฟังธรรมท่านเลยถ่วงเวลาถ่วงเวลาคุยน้นคุยนี่สักพักหนึ่งให้ใจคลายออกแล้วท่านก็แสดงธรรมให้ฟังบอกดูกระภาหิยะในการใดายแลนะเมื่อเห็นจักเป็นสักว่าเห็นเมื่อฟังจักเป็นสักว่าฟังนะเมื่อทราบจักเป็นสักว่าทราบ ในการนั้นแหละท่านย่อมไม่มีในการที่ท่านไม่มีในปัจจุบันไม่มีในอดีตไม่มีในอนาคตนั่นแหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์พระภาหิยะฟังนะเป็นพระอราหันต์ตอนนั้นเลยได้ยังฟังเหมือนเปียบเลยนะเมื่อเห็นจัดเป็นสักว่าเห็นนะเมื่อฟังจักเป็นสักว่าฟังนะเมื่อคิดจัดเป็นสักว่าคิดเมื่อทราบจัดเป็นสักว่าทราบนะถ้าสักว่าสักว่า ตัวเราจะไม่มีถ้าตัวเราไม่มีนะแล้วใครจะทุกข์ก็ไม่มีใช่ไหมความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีคนทุกข์หรอกตัวเราไม่มีท่านภายะฟังแล้วก็เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งนเป็นเอตทักคะด้วยทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ได้บวชนะยังไม่ทันจะได้บวชเลยก็ขอบวชพระพุทธเจ้าบอกว่าจะบวชได้ต่อเมื่อ มีบาทและจีวรแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรสักอย่างเลยผ้านุ่งยังไม่มีเลยไม่มีบาทไม่มีจีวรต้องไปหาก่อนนะแล้วท่านก็แยกทางกันพาหฮิยะเที่ยวไปหาแล้วก็ไปโดนวัวหวีด ต, ตายนะพวกพระพระพุทธเจ้าก็ให้พระไปเอาศพมานะมาเผาเอากระดูกใส่เจดีย์ไว้สร้างเจดีย์ใส่กระดูกไว้พวกพระก็ถามกันบอกว่าอ้าวพระิยะเป็นฆราวาสทําไมพระพเจ้าเอามาใส่นะอย่างนี้ ท่านบอกพาหิยะได้ธรรมะล้เป็นพระละหันองค์หนึ่งพระก็ถามว่าคารวะเนี่ยเป็นพระละหันเนี่ยสมควรจะเรียกว่าเป็นคารวะเป็นข้าวเลือดหักหรือคารวะเนี่ยหรือควรจะเรียกว่าเป็นภิกษุเป็นสมณะเป็นพราหมณ์ท่านบอกเรียกว่าเป็นภิกษุเป็นสมณะได้เห็นไหมท่านเน้นที่ที่คุณธรรมในใจไม่ใช่ที่เปลือกนะถ้าหลวงพ่อแต่งตัวอย่างนี้เรียกว่าเป็นพระโดยสมมุติ ถ้าสมมุตินะสมมุติหลวงพ่อเป็นพระแท้ๆด้วยใจหลวงพ่อถอดจีวรออกหลวงพ่อจะเป็นพระไหมก็เป็นใช่หไหมแล้วกพระพุทธเจ้าท่านวางหลักเกณฑ์ไว้เงั้นว่าทาหยะนะียังไม่ได้คลองจีวรเลยยังหาจีวรไม่ได้เลยนะก็เป็นพระเนี่ยท่านทําไมท่านง่ายเพราะท่านยากมาแล้วเหมือนพวกเราอย่าท้อใจนะขึ้นเขาไปพอนาก็ไม่ใช่จะได้นะวันอนะ่ะไม่ใช่ขึ้นเขาไปพอนามไปด้วยอะไรด้วยโลภะ ไปด้วยความอยากรู้สึกไหมใจมีแต่ความอยากอยากบรรลุไว้ๆอะ่ะอยากบรรลุไวๆ้ๆไม่บรรลุหรอกจะบอกให้เมื่อไหร่หมดอยากเมื่อนั้นบนรรลุใช่ไหมเพราะความอยากนั่นแหละปิดกั้นไว้จากธรรมะเมื่อไรมีความอยากเกิดขึ้นจิตจะเกิดการดิ้นรนจิตดิ้นรนจิตปรุงแต่งก็คือจิตสร้างภพแต่เมื่อไรเรารู้ทันจิตนะรู้ทันกิเลสรู้ทันจิตที่เกิดขึ้นนะ จิตก็ไม่ดิน้นรนจิตก็ไม่ปรุงแต่งจิตสักว่ารู้สักว่าเห็นเนี่ยที่พระพาหิยะผู้เจ้าสอนพาหิยะดูกราพาหิยะใช่ไหมในการใดแลเมื่อเห็นจักเป็นสักว่าเห็นเมื่อฟังจักเป็นสักว่าฟังนะถ้าสักว่าได้สักว่าหมายถึงว่าเห็นสภาวะนะรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายปรากฏขึ้นมาต่อหน้าต่อต า, ตอตาก็สักว่ารู้สักว่าเห็นรู้แล้วไม่ปรุงต่อ พวกเราทําได้ไม่รู้แล้วไม่ปรุงต่อทับไม่ได้จาำไหมนะยังทําไม่ได้รู้แล้วแอบปรุงต่อพวกที่บอกว่าผมสักว่ารู้สักว่าเห็นนั่นพูดแต่ปากใจยังไม่เป็นหรอกน้อยคนหรอกนะที่ว่าสักว่ารู้สักว่าเห็นได้ถ้าสักว่ารู้สักว่าเห็นได้อีกเก้าเดียวเท่านั้นจะเกิดมากเกิดผลแล้ตอนนี้ส่วนมากยังไม่ถึงนะมันแค่สักว่ารู้สักว่าเห็นเป็นคลาล์มันไม่ใช่สักว่ารู้สักว่าเห็นจริงสักว่ารู้สักว่าเห็นจริงเกิดจากปัญญา มีปัญญาแก่รอบจริงๆเลยทีแรกเรามีสตินะมีใจที่ตั้งมั่นคือสัมมาสมาธิรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นรู้ทีแรกเนี่ยไม่สักว่าแต่รู้แล้วจะยินดีบ้างยินร้ายบ้างรู้สึกไหมอย่างเราเห็นกิเลสเราก็ยินร้ายใช่ไหมเห็นกุศลเรายินดีเห็นความสุขเราก็ยินดีใช่ไหมเห็นความทุกเราก็ยินร้ายยกเว้นพวกชั่วนะพวกชั่วพอเห็นความดีแล้วรู้สึกยินร้ายอย่างนี้ก็มี แต่เห็นกิเลสแล้วรู้สึกยินดีเคยเจอไหมบางคนภูมิใจนะกมาคุยอวดหลวงพ่อนะเคยมีนะเวลาฉันโกรธนะฉันเห็นช้างเท่าหมูภูมิใจนะโถวเอากิเลสมาอวดเราเนี่ยพวกชอบในกิเลสก็มีหรือพวกผู้หญิงเป็นเยอะนะ เวลาคิดอะไรเศร้าๆนะแล้วก็ชอบนะแล้วก็ไปเกาะอยู่นะั้นโอ้ยเศร้าแหมเหมือนหยดเลือดหยดอยู่ในหัวใจเลยน้ําตาร่วงอยู่ในหัวใจแสบแสบคันคนะัมีความสุขนะนะเนี่ยจิตเป็นอากุสลแล้วมีความสุขนะพวกไม่เอาไหนเลยตายแล้วจะตกนรกเพิ่งอย่าไปเล่นนะอย่าทำสวมวิญญาณนางเอกโอโ้ชีวิตฉันพอๆกับพจน์จมานนะนางเอกรุ่นนี้มันชื่ออะไรไม่รู้นะ รู้แต่นางเอกรุ่นพศจมานนนะพศจมานสว่างว ง, งหลังๆไม่รู้ชื่ออะไรบ้างแล้วนางเอกรุ่นหลังๆได้ข่าวว่าด่าเก่งตบเก่งแล้วใช่ไหมไม่ใช่ถูกเขาด่าถูกเขาตบมานั่งร้องไห้ให้พระเอกมาโอโหไม่ค่อยมีละเดี๋ยวนี้มันลุยไปตบกับเขาแล้วนะคนรุ่นเนี้ยเพร่องั้นเราอย่าไปปล่อยให้อกุศลครับงำใจอากุศลใดๆเกิดขึ้นที่ใจอย่าไปนอนแช่อยู่กับมันวันไปนอนแช่อยู่กับมัน โทไม่ได้ทุกทีโทไม่ได้ไม่ได้เมื่อไรจะได้หมดกําลังใจโหโถเอ้ยต้องสู้เอาสินะงั้นเราอย่าจะนอนแช่กิเลสกิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจรู้ทันรู้ทันรู้ทันไปนะเวลาตามองเห็นรูปใช่ไหมนะเห็นผู้หญิงสวยหนุ่มหนมเห็นผู้หญิงสวยหรือสาวสา ว, สาวที่ชอบผู้หญิงด้วยกันเห็นสาวสวยนะก็ใจมันชอบขึ้นมา พอใจมันชอบขึ้นมานะมีสติรู้ทันในี้ใจเราไม่ได้สักว่ารู้สักว่าเห็นนะไปเห็นสาวเข้ามันพอใจนะีสาวสาวไปเห็นหนุ่มหนมเข้ามันพอใจนี่เดินไปเห็นดอกไม้สวยๆมันพอใจเนะีเดินไปเดินมาชมดอกไม้เปลิน่นเลิ่นไเหยียบกองขี้หมาเขา้าเนะีสดชื่นไห ม, มสักสักว่ารู้สักว่าเห็นนะไม่สักว่าหรอกอีอีอไว้ก่อนเลยใช่ไหมเนะี่ยใจมันไม่พอใจเพราะฉะนั้นเวลาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะ เกิดความพอใจขึ้นก็รู้ทันเกิดความไม่พอใจขึ้นก็รู้ทันนี่เรียกว่าเราดูจิตของเราอยู่นะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเดี๋ยวมันก็เกิดความสุขเดี๋ยวมันก็เกิดความทุกข์เดี๋ยวมันเฉยเยพอมีความสุขก็พอใจมีความทุกข์ก็ไม่พอใจมีความเฉยเฉยก็งงงไม่รู้ว่าจะพอใจหรือไม่พอใจนะแล้วคอยดูใจของเราไปใจเราก็เพิ่มขึ้นกับเพิ่มลงด้วยความยินดีบ้างด้วยความยินร้ายบ้าง ใจของเราไม่ได้เป็นกลางไม่ได้สักว่ารู้สักว่าเห็นอย่างแท้จริงการสักว่ารู้สักว่าเห็นก็ต้องเกิดด้วยปัญญาไม่ใช่เกิดจากการเพ่งบางคนใช้เพ่งจิตนะเนี่ยสมมติหลวงพ่อเพ่งให้ดูนะแต่เพ่งแบบนี้นะให้ใครมาด่าก็ได้ด่าสามวันก็ไม่โกรธถ้าออกมาอย่างนี้เดี๋ยวจะโกรธละนะเพราะใจใจมันจะเครือนกับเพิ่มขึ้นกับเพิ่มลงนั้นเราภาวนานะไม่ใช่ว่าเราเป็นกลางเพราะการเพ่ง ส่วนใหญ่จะเป็นกลางเพราะกาันเพ่งนะเพราะที่ทําอยู่ส่วนมากเป็นสมถะไม่ได้ขึ้นวิปั ส, สนาแท้ๆวิปั ส, สนาแท้ๆจะเกิดขึ้นเมื่อเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจไม่ใช่แค่เห็นกายเห็นใจนะเห็นท้องพองยุบไม่ใช่วิปัสนานะเห็นยกเท้าย่างเท้าไม่ใช่วิปัสนาเห็นหายใจเข้าหายใจออกไม่ใช่วิปัสนาต้องมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสนาเห็นว่าตัวที่พองที่ยุบอยู่นี้ไม่ใช่เราหรอก ธาตุมันเคลื่อนไหวรูปมันเคลื่อนไหวไม่ใช่เราอย่างนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนาเห็นตัวที่เดินอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราเป็นก้อนธาตุมันเดินอยู่อย่างนี้ถึงเป็นวิปัสสนาเห็นจิตมันเกิดดับเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ, ๆบังคับไม่ได้นี่มันเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆเป็นอนิจจังบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาพอเห็นอย่า <Here> งนี้เรียกว่าเห็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสสนา ไปนั่งเพ่งจิตนะให้จิตนิ่งๆ่งไม่ใช่วิปัสนาเป็นสมถะไปดูท้องพองยุบให้จิตแนบอยู่ที่ท้องเป็นสมถะนะไปรู้พุทโธบริกรรมได้พุทโธให้จิตนิ่งอยู่กับพุทโธก็เป็นสมถะไปรู้ลมหายใจจิตอยู่กับลมหายใจเป็นสมถะขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนจิตไปเกาะ อ, อยู่ที่มือเป็นสมถะนะถ้าเมื่อไรจิตไปจับนิ่งๆอยู่ที่อารมณ์ันเดียวเป็นสมถะทั้งหมดเลยนะเป็นการเพ่งตัวอารมณ์เรียกว่าอารามณูปนิชฌานการเพ่งอารมณ์ เพ่งอารมณ์จะเป็นสมถะถ้าเป็นวิปัสสนาต้องเห็นลักษณะเรียกลักขณูปนิชฌนเห็นลักษณะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ในกายเห็นความเป็นไตรลักษณ์ในใจเช่นนั่งอยู่ก็รู้สึกว่าตัวที่นั่งอยู่นี่เป็นแค่วัตถุเท่านั้นเองเหมือนตอนนี้คนที่ภาวนากับหลพ่อทําได้เยอะแล้เห็นร่างกายเนี่ยเป็นก้อนธาตุเป็นวัตถุเป็นรูปเมื่อวานก็มีแม่แม่ครูบาแบงมั้งใช่ไหม แม่ครูบาแบงค์มาเล่าให้หลวงพ่อฟังพระภาวนามาตั้งนานนักนานนะไม่เห็นมาเรียนเอาลูกชายมาบวชอยู่นี่มาฟังไปฟังมาเห็นแล้วร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุรู้สึกนะไม่ใช่คิดนะรู้สึกคนรู้สึกได้อย่างนี้มีเป็นร้อยๆอ่ะเยอะแ ย, ย, ย, ยะเลยเห็นรูปตัวจริงแล้วว่าไม่มีตัวเราอีนนี้ถึงจะเรียกว่าทำให้ปรัสนาได้นะ เห็นกายไม่ใช่เรา <c oughs> เห็นใจไม่ใช่เรา <c oughs> เพอเห็นเต็มที่นะ <c oughs> วันหนึ่งจิตรวมเข้ามาตัดสินความรู้เลยยอมรับความจริงแล้วตัวเราไม่มีกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราไม่มีกายในใจในในกายในใจนี้ไม่มีตัวเราในกายในใจไม่มีตัวเรานอกเหนือจากกายจากใจนะปิง๊งขึ้นมาอย่างนี้เป็นพระโสดาบันไม่ใช่นั่งนั่งแล้วก็วูบหมดสดติตื่นขึ้นมาแล้วบอกเป็นพระโสดาบันนะโสดาบันรุ่นหลังจะเป็นอย่างนี้เยอะเลยเคลิ้มเคลิมงอแงงอแงแล้วก็บรรลุแล้วบรรลุโมหะ ไม่ใช่ไม่ใช่ผลรู้มรรคผลนิพพานอะไรหรอกแปดโมงพอดอีเชิญไปทานข้าวไปนิมนต์ครับ